สา o ส2 38ป8 <38. S 2> ในรถแท็กซี่ในดรอชชซนช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะคอมดูเวนลิก ส, เส์เบสตดร็อชชไปสถานีราคาเท่าไหรค่คะ ไปสนามบินราคาเท่าไหร่คะว่าค n าใช้ไปสนามบินราคาเท่าไหร่คะว k าค่ a ใช้จ t ายไปสนาม l ินราคาเท่าไร่ะไปสน b ม n ินราคาเท่าไห a ่คะว่าค่าใช้จ่ายไปสามบินราคาเท่าไหร่คะไปสนามบินราคาเท่าไหร่คะไปสนามบินราคาเท่่ะ v ิ n เล็กส์ที่อยู่ทางซ้ายมือที่ฉันรีบฉันมีเวลาฉันมีเวลาฉันมีเาฉันมีเวลาฉันมี r วลา t ันมีเวาฉันมีเวลาฉันมลาเามีเนีเวลาฉนมาีนี กรุณารอสักครู่นะคะวัณิกส์วัณ์เดิเดี๋ยวดิฉันกลับมาค่ะฉันจะกลับมาทันทีขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะฉันจะกลับมาทันทีันจะกลัมานทีอเงร็จให้ดิฉันด้วยนะคะฉันจะกลับมาทนไร ที s. <S ่เหลือน oh ี้ให้คุณค่ะขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะ